ฟังทเกันต่อสักครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวกลัไปทำภารกิจอื่นๆกันอีกต่อไปกุล ร, ระบุตรกุลธาิดาเข้าวัดมาโอกาสนี้ก็เพื่อที่จะละชั่วทำดีชำระจิตนังคำสวด เป็นหลักล้วนรวมการในพรทศาสนาเรารชีวิตของเราจะต้องเดินทางไปสู่ความไม่เสื่อมทางสว่างสวยเนื้อเกิดเนื้อแก่เนื้อเจ็บเนื้อตายเนื้อทุ ก, ท, ก, ท, กทุกชีวิตเป้าหมายสูงสุดก็คือพรนิพพานชีวิตที่ผ่านมาเราได้ใช้ชีวิตแต่ว่าชีวิตมันก็ใช้เรา อิทธิพลหรืออำนาจของอารมณ์มันทำให้เราสุขๆุทุกๆเราจึงเห็นประโยชน์ของการที่ได้อุทิศเสียสะเวลาเสียสละความดีเสียสละทรัพย์เสียสละเงินทองทั้งหลายเรามาศึกษา มาฝึกมหัดกายใจของเราตามหลักของมหาสติฐานสูตรตามหลักของการฝึกสติเจริญสติเราอยู่กันที่วัดป่าสุกตัวแล้วก็ฝึกกันแนวเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวพลิกไม้พลิกมือเดินยุงกลมเป็นรูปแบบเป็นวิธีการฝึกหัดปฏิบัติทมแล้วก็ฝึกหัด กายใจของเรากันปลิกมือรู้สึกตัวเดินโงกงรู้สึกตัวนอกจากนี้ยังมีกิจวัตรประจำวันต่างๆแล้วก็เข้าสู่ชุมชนก้าเมืองตาเหลิวแล้วก็เลียวตาตามอย่างเช่นตอนนี้เราก็ตื่นเช้าขึ้นมาไม่เกี่ยวเป็นสามเณรแม่จีญาติโยมวาสกบาสิกาหรือว่าพระภิกษุสงฆ์ต่างๆบิดเก่าบใหม่ มันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวว่าเออตอนนี้เวลาดีีตรงเราก็มารวมตัวกันทำวัดส่วนมลอย่างเงี้ยเพืการรับรู้ข้อมูลจากหนังสือตำรตาตำราหรือว่าจากการฟังพี่รู้2อน้องรู้1นึ่หลวงพ่อเขียนหลวงปู่เตียนอาจารย์ไพศาลหรือใครก็ตาม แล้วฟังแล้วก็น้อมเข้ามาใส่ตนสรุปแล้วก็จับประเด็นมาปฏิบัติให้มันรัดสั้นๆก็าในวิธีการปฏิบัติแนวหลวงปูเทียนสู่สาเร็จอึดใจเดียวสู่การรู้แจ้งมันไม่เป็นอื่นการพลิกมือยกมือรู้สึกรู้สึกรู้สึกรู้สึกเนี่ยเพรา่าว่าเราทำแบบไหนกันทำแบบโง่ ก็คือทำแล้วมันก็ตอบคำถามตัวเองไม่ได้เจออารมณ์มันก็เบื่อเจอความง่วงก็เบื่อนั่งเจ็บปวดมันก็เบื่อพอมันเจอความคิดฟุ้งซ่านมันก็ไม่รู้ว่าคืออะไรบางทียกมืออยู่รู้สึกตัวรู้สึกตัวยังไม่รู้ตรงนี้แหละมันคือบทเรียนบทแรกของผู้ใหม่ ไม่เกี่ยวกับเด็กไม่เกี่ยวกับผู้ใหญ่ไม่เกี่ยวกับปลากอาชีไม่เกี่ยวกับหญิงผู้ชายไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นเจ็ดทีระยาจบถ้าทําโดยที่ไม่เคยรับรู้ข้อมูลแล้วว่าฝึกหัดมาก่อนเบื้องต้นเหมือนกันทุกคนเงเงืงืนเงืนงงงงสงสัยหันหลีหั น, ห น, หนขวางไม่มีทางเข้ารูปแบบได้เลยถ้าขาดกลยามิตรขาดเพื่อนอย่างไงอย่างไงก็ไม่ได้ แม้คนอยู่คนเดียวคิดไม่ออกบอกไม่ถูกโบราณท่า น, นว่าคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายสามคนกลับบ้านได้เมียสองต้องห้ามเมียสามตามตำลาท่านพูดไว้ชัดเพราะนั้นนักบวชทำขาดกระแลมิดขาดครูบาอาจารย์ขาดการได้ยินได้ฟังล้มเหลวตั้งแต่เบื้องต้นแล้วก็จงทุกต่อไป ม, มือก็ไปมืดมาสว่างก็ไปมืดต่อไปไม่สามารถต่อยอดได้อันนี้เราก็เห็นนักปฏิบัตินอยู่ในฐานไม่ได้ยังไงก็อยู่ไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรมันก็ไปตามยถากรรมมีกรรมยังไงมันก็ไปอย่างนั้นแหละนอีกงานก็คือเราก็เห็นมีกลุ่มหนึ่งที่ไปฏิบัติทำกันอยู่นนะก็ตั้งข้อสังเกตอยู่ทั้งตัวเองทงั้งผู้อื่นเราก็เห็นตัวเราเราเห็นตัวเขา เราเห็นเขาแล้วก็เห็นเราก็คือผู้ที่ฝึกสติแล้วก็มันมีสติก็คือฝึกสติแล้วมีสติคือมันจะรู้ปัจจุบันขนาดสติมันจะเป็นปัจจุบันนะรู้เป็นปัจจุบันแต่จะเป็นที่ไหนล่ะกายเวลาจิตรรมที่กายก็เห็นกายเมื่อเคลื่อนไหวรู้ซึ่งก็จะเห็นความรู้สึกโดยไม่ได้สรุปอะไรมันยังไม่มีลักษณะของปัญญาที่มัน เห็นรูรอบเห็นช้างทั้งตัวแล้วก็สรุปนะเพราะว่าถ้ามันเห็นงวงมันรู้ว่างวงเห็นงาล้วางาเห็นหูล้วาหูเห็นตาล้ววตาเห็นขาล้วาขาเห็นช้างอ่ะถ้ามันรีบสรุปมันก็โง่ะมันต้องดูแบบรอบครอบดูไปเรื่อยๆเหมือนกับเรามาจังหวัดชัยภูมิอ่ะมาสุกโตสุกโตไม่ใช่ชายภูมิ จุกโตเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดชายภูมิอย่างเงี้ยไปรีบสรุปว่าโจุกโตหนาวไม่ใช่ชายภูมิหนาวเงี้ยมันก็ไม่ใ ช, ช, ใช่เพราะว่ามันต้องดูไปนานๆนนอยู่ไปนานๆยังไม่ต้องไปสรุปอะไรมันหรอกแล้วท้ายสุดมันก็จะอ๋อกว้างขวางแล้วก็เป็นรายละเอียดลุ่มลึกรอบคอบก็คือเห็นสัธรรมความจริง น, นนะนีมันของประณีตของละเอียด มันไม่ได้รู้ด้วยกันนการคิดตรรกะะแต่ว่าวิสัยบัรลิตมรู้ได้เมื่อไหร่จะเกิดวิสัยบัณฑิตขึ้นมาก็ต้องเกิดปัญญาก่อนสติปัญญามาด้วยกันแต่ว่าการฝึกสติการรู้การเคลื่อนไหวเป็นปิญญาบันมรู้สึกรู้สึกเป็นปกติไปเรื่อยๆก่อนมันจะเห็นตามความเป็นจริงในสิ่งที่ทําเรียกว่ากรรมฐานนะเจตนาเคลื่อนก็รู้อันนี้คือเจตนาเคลื่อนอยู่เจตนาคือกรรมฐาน อันนี้แหะมันจะทําได้เรื่อยๆบางทีมันมีอารมณ์มันก็ค่อยๆเรียนรู้สังเกตแล้วก็ผ่านในหลักขบวนการปัญญาจะเกิดขึ้นมาบางทีมันก็รู้ทีมันก็หลงงทีมันก็หลงทีมันก็รู้เเริ่มละบางทีมันก็เพ่งจี้จ้องบางทีมันก็เริ่มถอนถอนตัวเองออกมามันจะเริ่มเห็นความจริงไปเรื่อยๆทายเสือคือมันจะเห็นทุกข์ว่าการเคลื่อนมันคือทุกข์ชัดๆเลยนะ กานั่งเดินยืนนอนทุกชัดๆเลยนะกับพริบตาหายใจนะมันแก้ทุกมันตลอดเวลาเวลาเลยนะร่างกายท่าสี่มันเห็นเลยนะท่าสี่เป็นยังไงประชุมกันยังไงเวลาพกพร่องเป็นยังไงมันจะได้เห็นโลกของกายอะไรนี่ยโลคาปยาที่จะเกิดขึ้นไหมกายต้องหิวต้องกหายต้องกินต้องขับถ่ายอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆเห็นขึ้นมามันได้สัมผัสก็อยู่กับมันทุกวันไม่รู้จักได้ยังไงนะ มองจะเห็นลนักษณะของกายกรรมเกิดขึ้นมานะ่เป็นยังไงจะเดินไปทำดีจะเดินไปทำชั่วนะอะไรสั่งมาลาตินะนะมองจะเห็นลนักษณะของอุปทานทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดจากจิตคิดนะ่ะความโลภความโกรธความหลงเกิดจากจิตนะนะตรงนี้มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยเป็นอาการของกายของจิตไงดูกายไปดูกายมาแล็นการกายไปมามันเห็นจิตขึ้นมานะจะว่ายังไงตรงนี้น เนเป็นเรื่องของรายละเอียดที่ลุ่มลึกเป็นพัฒนาการของผู้ปฏิบัติกรรมฐานแล้วเกิดวิปัสสนา น, น้อยๆขึ้นมาเมื่อจะเห็นรายละเอียดต่างๆก็เป็นกระบวนการของปัญญาพุทธใหม่ๆมีปัญญาโลกิยะปัญญาโลกิยะคือมาลู้นะการเป็นกันอยู่ปัจจัย4 5, 6, 7, นะี่ห8ดมาลู้ที่เอาตัวรอดในโลกใบนี้นะอยู่กับโลก โลภไม่ช้ทำทาไม่เสียมีนินทามีสรรเซินมีลาบเสื่อมลาบมียศเสืมยอดมีสุขมีทุกข์มันมีอยู่ในโลกใบ น, นี้อยู่ก็โลกเหมือจะได้เห็นนะการคิดการพูดเป็นการโต้ตอบทักท้วงกันเป็นวิวาทะกันยังไงวิวาทกันยังไงพวกนี้เอาผิดเอาถูกเอาเหตุเอาผลมีสมมติมากมายแล้วเกินประเด็นเวลาเกิดปัญญาขึ้นมานะี่ย เราก็จะต้องเรียกว่าให้เวลาตัวเองสักหน่อยให้โอกาสตัวเองสร้างความรู้สึกตัวให้ถูกต้องให้ต่อเนื่องใส่ใจลงไปสังเกตลงไปรู้ปัจจุบันรู้ให้ถูกรู้การเคลื่อนการไหวของรูปธรรมขันห้าเนะี่ยมันมีอยู่ยังไงก็ต้องเห็นสัจากความจริงมันสัมผัสได้ทุกคนไม่เว้นกับใครแล้วนั้นะ ศรัทธาก็ไม่เกี่ยวไม่ศรัทธาก็ไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับว่ารู้สึกตัวหรือเปล่าแต่ละขณะในรูปแบบก็รู้ได้นอกรูปแบบก็รู้ได้แต่กว่าจะรู้นอกรูปแบบในรูปแบบต้องํานานแล้วเหมือนกับว่าเป้าโตโตนักธนูยิงธนูนักแม่นปืนยิงปืนเขาฝึกจะเป้านิ่งก่อนทั้งนั้นแล้วก็เป้าใหญ่ๆด้วยนะเป้านิ่งๆแล้วเป้าโตโตนักมวยก็ทําม ก็ฝึกเตะกระสอบทรายเตะต้นกล้วยอะไรเป็นสมัยโบรานไม่มีกระสอบทรายไม่รู้มันเป็นยังไงมันแพงบางทีก็เอาแกบยัดใส่กระสอบกระสอบปัน่นเขาแกบยัดไอ้ที่พูดคือตัวเองเคยทำมาเสร็จ แ, แล้วก็โผล่แขวนก็กิ่งไม้แล้วก็เตะตุบตับตุบตุบตุ บ, ตบโมโหเพื่อนก็มาเตะกระสอบทรายระบายออกแบบนั้นบางทีก็วิง่งให้มันเหนื่อยตั้งแต่สี่โมงเย็นจนสี่ทุ่มก็เคย โมโหไปโรงเรียนทําอะไรไม่ได้ <c oughs> นีมันมีกรอบมีกฎกติกายเยอะแยะไปหมดในโรงเรียนถ้าชกแกนสองคนกระดนทําทัานบนหนึ่งัง้งสองข้ามสามข้า ง, ง, างต่อทาก็ก่อนกระดนทําโทษนบาง ท, า ท, า ท, าทีมันก็เก็บกฎเหมือนกันนะคนเนี่ยเขียนแล้วเต่ก็สอ่อทรายกระดาระบายออกไปบางคน <c oughs> นี่เได้ยินหลวงพ่อท่านพูดเวลาโมโหมากๆเนะี่ยทะเลาะกับเมียน เฉยเมียบนเมียดา่าเฉจับจอบได้ไปกุศะเลี้ยงปานะลาระบายออกนี้ดีเนาะได้ประโยชน์จึงเก็บเออเกิดกคนเกมกีฬาต่างๆมากมายฟุตบอลอย่างเงี้ยนะหรือว่าชกมวย <S <S เกิดนะการแข่งขันขึ้นมาหลายประเทศนะห่ายประเทศที่เคยสู้รบตบเือกันไหอย่างไทยกับพม่าบอลนนะ เวลาเตะกันทีอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นการระบายหรือเวลาต่างประเทศนะบอลโลกชนะกันเงี้ยโอ้ปิดประเทศฉลองกันมันก็เหมือนกับสงครามนั่นแหละพอมีแล้วนะของการแข่งขันแล้วก็ชนะขึ้นมาก็เฉลิมฉลองกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายกฎกติกามารยาต่างๆที่กำหนดขึ้นมาตามกรอบของสังคมนะอย่างนี้นอันนี้คือแล้วนะของ การที่เราสมมุติบัญญัติขึ้นมามันรูปแบบในสมมุติบัญญัตินะการยกมือสิบสขึ้นมาเป็นสมมติบัญญัติแต่ว่ามันเริ่มต้นที่สมมติบัญญัติรู้สมมติสัจจาซะก่อนสมมุติเนี่ยรู้ให้มันครบซะก่อนแล้วมันจะรู้ปรละมัดทุกครั้งที่เคลื่อนไหวรู้สึกนะมันก็จะเห็นปรละมัดนั่นแหละเห็นสมมุติเห็นปรละมัดเห็นของวัตถุอาการกิริยาต่างๆมันจะแสดงออกมาให้เราได้สัมผัสนัะ มราจะต้องเริ่มต้นกลับมาหาตัวเองก่อนเมื่อก่อนเราส่งไปทางตาหูจมูกจิตใกายใจวัตถุกรรมคุณเนี่ยพอเราเคลื่อนไม้เคลื่อนมือมันก็กลับมาหาตัวเราเป็นเรื่องของการออกมาจากวัตถุกรรมคุณมราจะเห็นกายแต่เพราะความรู้สึกตัวของเราเนี่ยนัมันสัมผัสตรรกะน่ะมันก็ไม่ใจสุขไม่ใจทุกข์ไม่ใจความพอใจไม่พอใจนะมันเป็นความรู้สึกตัวที่เป็นปกติอยู่ มันเป็นบ้านของจิตเป็นมาตรฐานของจิตสุขสุขทุกทุ ก, ทกหัวอร้องร้องไห้ไม่ใช่คนร้องเพลงมีค่าเท่ากับร้องไห้ร้องเพลงมีค่าเท่ากับร้องไห้ร้องไห้มีค่าเท่ากับร้องเพลงจิตมันเป็นอย่างนั้นหรือว่าหัวร้องมากๆมีค่าเท่ากับเด็กคนหนึ่งหวัวร้องก็ไปขำก็ไปกิ๊กก้าก็ไปคึกคักก็ไปเท่าก <ammen S 2> <Honors S 1> ับเด็กคนหนึ่งจิตนะติดแรงเต็งกาเท่ากับคนบ้าคนหนึ่ง เราจะเลือกอะไรเคลื่อนไหวรู้สึกอะไรนี่มันทำให้เกิดแล้วนะของกิริยาการที่เรายอมรับกันได้ว่าเป็นรูปแบบสิบสี่จังหวะหนึ่งในห้าวิธีที่สามารถปไปทํารับเผยแผ่ได้ทั่วโลกอย่างวันนี้อาจารย์ไปสารกับอาจารย์โนดก็ไปแล้วเมืองจีนไปทําไมอ่ะก็ไปพายกมือแบบแนวหลวงปู่เทียนนั่นนะก็จะทาอย่างนั้นแต่ว่าใครที่เป็นผู้สื่อตรงนี้สำคัญที่จะสื่อสารแล้วก็สามารถจะทำให้คน เกิดการต่อเชื่อมกันได้ระหว่างคนไม่รู้กับเรารับหลักการแนวทางฝึกหัดปฏิบัติจนกระทั่งมันมีอยู่ในตัวเราเราไปให้แผ่ตามกุจศโลบายหรือว่าวิธีการหรือว่าจริตนิสัยของผู้สื่อผู้สอนเพราะฉะนั้นเราสื่อกันให้เคลื่อนไหวรู้สึกตัวยิงคนไทยเพื่อคนไทยทนำะรู้เรื่องดีไม่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศน ใช่แล้วนะของการเคลื่อนมือมือขวามือซ้ายพลิกมือรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะหรือบางทีอาจจะไม่ต้องพูดก็ได้อย่างเคยสังเกตหลวงปู่เทียนนะเคยได้ยินได้ฟังมาว่าหลวงปู่เทียนเนะี่ยไปสอนที่ต่างประเทศนะมีผู้หญิงก็หนึ่งชื่อยกเหรียญ น, นะชื่อยกเหรียญนะไปเรียนปรากฏหลวงปู่เทียนเนะี่ยพูดไม่ได้ในโรงพยาบาล น, นะหยกเหรียญเนนะี่ย ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลไปนั่งมองหลวงพุเทเดียนหลวงพุทเดียนก็พูดไม่ได้ภาษาจีนภาษาอังกฤ ษ, าากฤษทำไงหลวงพุเทเดียนก็มองหน้าแล้วนะชวนยกมือสิบสี่กว่าให้ยกตามยกมือตามไปเรื่อยๆปรากฏว่ายกเหรียญนะ่สามารถสัมผัสทําจากหลวงพุทเทียนได้ไม่ได้พูดสักคำและไทยสุขตามมาที่ในประเทศไทยปฏิบัติธรรมที่วัดสนามในเราก็ได้ยินข่าวเล่าลือ บางทีเราต้องใช้ภาษาพูดอะไรกันเลยความรักนะุ่งเราใช้ภาษาพูดรักนะรักนะเอามือไปลูบหัวเบาๆแล้วแสดงกิริยาการให้เกิดความอบอุ่นขึ้นมามันเป็นภาษาธรรมชาติเพราะฉะนั้นการเคลื่อนมือมนะถึงมันจะเป็นรูปแบบเป็นสมมติแต่มันก็เป็นลนักษณะของธรรมะปฏิบัติธรรมมาธรรมนุปฏิบัติกายเคลื่อนไหวใจรู้กายทำไรใจทําด้วยเบื้องต้นทีเดียวการเดินจงกรมหรือว่าการทํา นอกรูปแบบเดินไปห้องน้ำหรือว่าจะกินจะขับถ่ายต่างๆทำงานทำการทักซักเสื้อผ้าล้างหน้าแปรงฟันที่นอนหมอนมุง้งตื่นขึ้นมาเราพับโดยความรู้สึกตัวก็เป็นการฝึกสตินั่นเองนะการขยับเล็กๆน้อยๆต่างๆนะมันมีทั้งความเป็นเองแล้วเราก็ผลิตขึ้นมาแต่ว่าใหม่ๆให้ผลิตขึ้นมาก่อนนะที่เมื่อกี้เปรียบเทียบก็เป้าใหญ่ๆนะแต่กระสอบทายหรือว่า ยิงธนเป้าโตโตหรือว่ายิงปืนหลังจากนั้นมันก็จะเจอเป้าละเอียดถ้าเป็นนักมวยจะเจอคู่ต่อสู้บนเวทีซึ่งดิ้นได้เคลื่อนไหวได้มีความว่องไวเปรียบเหมือนความคิดอย่างน้นหรือว่าเป้าบินนักแม่นปืนเขาโยนจานด้วยเครื่องโยนไปลอนไปนักแม่นปืนก็ฟื้นตึตม เป้าเคลื่อนไหวก็ยิงเนื่องจากเป้านี่มันยิงถูกมันไม่ใช่ฟลุกมันซ้อมมาดีอย่างนีน้เราฝึกซ้อมดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจนะึกคิดซ้อมมาดีใต้ส่วนมันกระเพืชิญกับอารมณ์อารมณ์นี่ ม, มาไม่รู้จะมาตอนไหนทุกจะเสียบตอนไหนเงนี้ยเผลอไม่ได้ถ้าเผลอจากการเคลื่อนการไหวเผลอจากการดูกายรับรู้กายเบื้องต้นก็ไหลไปตอนนี้จะให้ความเคยชินต่างๆ เพราะนั้นให้สังเกตการปฏิบัติเนี่ยมันมีลักษณะการปฏิบัติอย่างง่ายก็คือปฏิบัติอย่างง่ายๆใช้วิอย่างสบายๆแต่ว่ารู้ได้ชา้ารู้ได้ชา้าก็เหมือนปุถุชนคนทั่วไปอยู่คอโลกแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยเดินฟรีๆกินฟีฟีนั่งฟฟีๆทำงานไปท้ายสุดเวลาใกล้ตายโอ้ยช่วยด้วยพระคุณเจ้าองี้นะ ไปให้อารมณ์ทีนึ่องไม่รู้ลักษณะ น, นรกสวรรค์หรือว่านิพพานเป็นยังไงกลัวกลัวกลัวเหลือเกินอย่า ง, น, าง น, นีอันนี้ก็หมายถึงว่ามันอยู่อย่างสบายนะครไม่รู้อะไรเลยรู้อย่างยากลําบากแท้เร่กลุ่มนั้นก็ทําอย่างสบายๆแต่เขาก็รู้ได้เร็วมันก็มีอยู่เหมือนกันเรียกว่าสุขขาปฏิปทา นะสุขขาปฏิปทาแล้วก็ปัญญาเป็นหน้ของการรู้ได้อย่างเร็วเป็นหน้าของการกระทําที่ใช้ชีวิตอย่างธรรมชาติธรรมดาเนี่ยแหละมือนกับบางทีก็จะมีลักษณะของเราเคยได้ยินได้ฟังคนต่างประเทศไม่เคยนับถือศาสอนาพุทธนะื่อทีไปถ่ายสารคดีอยู่ขัวโลกอยู่คนเดียว ตอนนี้นักถ่ายสารคดีก็ไม่ได้ไปขัดแย้งกับอะไรก็อยู่กับธรรมชาติก็สังเกตธรรมชาติสัจจการกันกินกันก็ไม่ได้เป็นกรรมการคอยแยห้างก็ถ่ายทําไปเลยแอมจะกินก็กินกันไปเลยก็เก็บข้อมูลเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลเห็นตัวเองบางทีเขาก็เออพูดธรรมะมีหลายคนเดี๋ยวแต่เราศึกษาดีๆต่างประเทศบางคนก็เป็นนักธุรกิจท้ายสุดก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างธรรมดาธรรมดา อยู่อย่างธรรมชาตนะิการกินการขับถ่ายง่ายๆนะขับรถขับเรืออยู่บ้านอยู่แบบธรรมชาติก็ก็มีแล้วนะของการเข้าใจธรรมะนะเวลาพูดขึ้นมาก็เทียบเคียงได้อย่างเหนะมือนกับว่าที่เรารู้จากภาษาหนาเป็นภาษาบาลีหรือว่าได้ยินครูบาอาจารย์พูดนะั่นแหละอันเะดียวกันอยู่อย่างธรรมชาติอยู่อย่างง่ายๆนะให้ผลอย่างเริดนะให้ผลเป็นการบรรลุธรรมอย่างเร็วเงี้ยมันมีอยู่ เป็นลักษณะของขีปนาอภิน ญ, ญารู้ได้เร็วแต่ถ้าเป็นบางคนรู้ได้ช้าเขาเรียกว่าทันทาภิญญาหรือบางทีปฏิบัติอย่างลําบากแต่ให้ผลอย่างเรื่ก็มีก็คือขูดกาจริงๆมันอยากจะกินกาแฟก็ไม่กินมันอยากจะสูบบุหรี่ก็ไม่สูบมันอยากจะกินเหล้าก็ไม่กินนี่มันทวนมันถูกมันทวนจริงๆนะอึดอัดร้อนลุ่ม ะตัวนี้มันลักษณะของบางทีก็ร้อนผ่าเหลืองไปเลยอยู่วัดอยู่วาไม่ได้ตั้งใจมาหนีร้อนมาพึ่งเย็นแต่ไอยู่ไปอยู่มามันร้อนอีกและมันอยากจะไปกินของเก่าต่อไปอย่างนะ้นะมันก็จะเป็นลักษณะของการปฏิบัติอย่างยากให้ผลอย่างยากะแต่บางคนขูดเก่าได้ก็ให้ผลอย่างเริวไปเลยเป็นการมารู้ธรรมผ่านได้ผ่านได้นนะะ แทนที่จะลงแดงากลายเป็นเออโล่งโป่งเบาไปเลยชีวิตใหม่ชีวิตใหม่หม น, นนะก็เรียกว่าทุกขาปฏิปทาขิบนะ ป, ปาอภิญญนะยาเวปจังลำบากให้ผลอย่างเริ่นนะรู้ได้เร็วหนะรือว่าทุกขาปฏิปทานะทันธาอภิญยานะให้ผลได้ช้านะให้ผลเหมือนกันได้ช้ามากประเภทนี้เรียกว่าวิบา ก, กรรมเยอะนะนะ ทำวิบากไว้เยอะพอเสพจึงติดพอติดจึงอยากว่าอยากจึงเสพมันก็เป็นจริตนิสัยลึกมากเวลาจะขูดก็ต้องเรียกว่าโอ้โหพยศหน้าดูจิตใจของเราพอรู้ว่าจะปฏิบัติธรรมมันแยงทันทีเป็นไหมจะเห็นทางเดินที่เราเคยเดินทางเดินกรรมฐานมันแยงเลยไม่เอาหลบๆไปก่อนเดินเฉียวๆชอบๆจมนกบจมไม้ไปเห็นก็ยีนนั่งปฏิบัติงี้โอ้ไม่เอาแยงไปเลย ทำอย่างอื่นทําได้เป็นวันเป็นคืนตะตะนั่งยกมือสร้างยามไม่เอาเลยจิตมันประยศสอนยากอนจจะต้องเรียกว่ามีกรอบตั้งสัจจะตัวเองสักหน่อยให้ฐานจิตสักหน่อยลองทาดูสักยี่สิบเอ็ดวันเอานิสัยการจะทําอะไรก็ตามมายี่เอดวันเนี่ยมันจะได้นิสัยเลยทำไมทำเนี่ยมันก็ขาดอะไรไปลูกสวดมนต์ทุกวันะวันนี้ก็สวดพุ่งนี้ก็สวดสวดทุกวันก่อนนอน พอเราไม่ได้สวดมนต์ก่อนนอนไม่ได้กราบหมอนก่อนนอนรู้สึกขาดอะไรไปหรือการเคลื่อนไม้เคลื่อนเหมือนกันพรเคลื่อนจนกระทั่งมันติดนิสัยนะพอมไม่ได้เคลื่อนเหมือนขาดอะไรไปแล้วเพราะใจมันเรามันไม่มั่นคงมันไม่ได้หลักใจนไม่ได้ที่พึ่งใจใจมันต้องมีที่พึ่งมีหลักมีงานทําำในโลกนี้ถ้าใจไม่มีงานทํำนะใจจะเป็นใจที่อยู่ยาก เป็นใจที่ว้าวเวแล้วก็เลื่อนลอยเป็นลักษณะของสัมปเวสีไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งบางทีก็เป็นลักษณะของความโลภแสดงออกมาด้วยความอยากหนึ่งสองสามสี่ห้าวัตถุหนึ่งสองสามสี่ห้าอยากได้อยากมีอยากเป็นแบบนี้มันจะครอบงําจิตเป็นแปลรทันทีพอจิเป็นแปรมันจะไปทําแบบปแปรอะไรกันเนี้ย ไปขอเอาหรือไปทำอะไรทิมผิดศีลผิดธรรมต่างๆเดี๋ยวมันก็ลำบากแล้วพอหลังจากเสบติดขึ้นมาครันี้มันก็อยากนนก็เป็นเปลด้ครั้นี้พร้อมไม่ได้รับมันก็แสดงออกนะให้เราได้ทุกข์ใจผลของการที่มีภพภูมิเป็นเปลลด้วยก็ปากเท่ารูเข็มนะ ท, ท้องเท่าภูเขามือเท่าใบาตานไฟคว้ามาเท่าไรนะ่ไฟคว้ามาได้เยอะแต่ว่าบริโภคไม่ได้กินไม่ได้ ท้องถ้าภเขาไม่อิ่มนักตีอย่างี้ก็คืออยากไม่หยุดนั่นนะหรือว่าบางทีก็คิดแบบสัตว์นรกสัตว์นรกก็คือจะร้อนรุ่มในใจทำอะไรก็หุนหันพันแล่นงุดหงิดอย่างนี้นะอันนี้ก็จะเป็นลนักษณะของจิตที่มันทำให้เราหน้าดำมันเผามันลนแล้วก็ ตายสุดก็คือรุมร้อนอยู่คนเดียวอันนี้ก็ต้องอาศัยแล้วณนะของกะเลมิตดนะผู้หลักผู้ใหญ่บางทีก็เล่าสู่กันฟังเมื่อใดทุกอะไรอยู่ที่นี่หลวงพ่อเลยบอกว่าให้จับคู่กันจับคู่กันจะอยู่คนเดียวมีสาทุกสุขดิบอะไรหลวงพ่อท่านก็บอกว่าบอกกันหรือว่าเล่าสู่กันฟังบ้างอย่าอยู่คนเดียวทุกใจอะไรมีความทุกข์มีปัญหาอะไร ลูกพ่อลูกเพราะหลานพ่อบ้านเพ่อทรัพยพ่สุขภาพไม่ดีทุกเพราะว่ามีอะไรครับอกครับใจครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากหนีบ้านมาอยู่วัดอยู่วานะครับอกครับใจอะไรมาเล่าให้ฟังกันบั่งเราจะได้เออรับรู้รับทราบเฉยๆนะแล้วก็เราไม่เอาไปล้อต่อหรอกไม่เอาไปพูดทุบซิปนินทารับหลังหรอกฟังแล้วก็แล้วไปฟังแล้วก็แล้วไป เล่าหนาของผู้ใหญ่ใจดีเป็นอย่างนั้นฟังด้วยเมตตาพูดด้วยเมตตาปาหนาดีต่อกันคิดพูดทําด้วยความเมตตาแบบอัปปัญญาเลยก็ว่าได้นั้นทุกคนก็จึงเสมอกันในแง่ของการอยู่วัดวาร์เดี๋ยววันนี้ก็จะมีกลุ่มของอบจนะํามาตั้งแต่เช้าร้อยกว่าชีวิตเราก็แสดงออกกันอยู่ในวัดวารามประสงค์เราก็อยู่เป็นที่เป็นทางนะเราไม่เดินเป็นปานกัน ถ้าเดินเพ่นพันกันก็คุมผ้าะให้ดีๆเดี๋ยวว่าพระใหม่แล้วก็บางจุดเออกะเลิกนะเราก็จะไม่เออกะเลิกกันเพราะเสียงมันก้องมากวัดนี้มันเป็นภูเขาเวลาเราพูดกันตรงเนี้ยเสียงมันเข้าหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านก็จะบอกเออทําอะไรกันในวัดในว่างอย่างนี้นะหรือบางทีเราก็เห็นจับกลุ่มกันข้างหน้านะคุยกันดังหัวเราะกันดังบางทีธรรมมาอยากไปอยู่ในหมู่บ้านนะบอกให้นะ สงบดีหมู่บ้านหน้าวัดแม่สุดเนี่ย้ยเงียบเงบอยากไปนั่งบ้านแม่สุดมันเงียบดีไปอยู่บ้านข้างๆนะก็เ ง, ง, งียบเงียบกันทั้งนั้นเละแต่ที่วัดน้ำแม่มันก็เหลิกดีอย่างเงี้ยบางทีมันก็คิดแบบนี้นะแต่อไม่เป็นไรในเมื่อเรามาอยู่วัดอยู่วาแล้วก็มันมีกิจกรรมเยอะๆเออก็ะหล่อก็ไม่เป็นไรแล้วก็ช่วยโอกาสแทนที่จะออกไปปเผชิญกับโลกข้างนอกไปชัยภูมิแล้วไปเจอตลาดสดอย่างเงี้ยะ เขาพูดคุยกันหรือว่าทำอะไรตามกิเลสกันไม่ต้องเออคนมีกิเลสมาอยู่วัดให้เราได้ดูเอาเป็นครูซะเลยเราก็เข้มแข็งต่อไปหมายถึงสติปัญญาของเราัก็ได้นะซักซ้อมฝึกหัดเป้าบินนะนะมันมาให้เราได้เรียนถึงที่งั้นเราก็ไม่ปฏิเสธเหมือนกันเอาไปยน์ให้หมดนีนะนั้นเราก็เลือกกัน ที่จะใช้ชีวิตอย่างไรที่วัดป่าสุกตัวละช่วอย่างไงทําดียังไงชำระจิตยังไงก็ต้องทําให้เป็นและชั่วคือมารู้สึกตัวเกินไหวรู้สึกตัวทําดีคือรู้สึกตัวมันเป็นดีสูงสุดไงเป็นดีที่จิตใจของเรามันฉลาดการที่เราฝึกหัดรู้สึกตัวนะจินจะฉลาดขึ้นมาเห็นรูปธรรมนามธรรมเห็นกัน5นะ้าเห็นโลกที่คือตัวเราและโลกที่มันคือแผ่นดิน โลกคืออากาศาธาตุต่างๆสมมติบัญญัติอย่างเง้ น, นมันคือโลกมีธาตุมีสันสรินมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศเราได้เห็นสัจจกความจริงตัวนี้กั น, นอ่เพราะนั้นเราก็จึงเรียกว่าละชั่วทำดีแล้วก็ชําระจิตวิธีชําระจิตก็คือจิตปกติรู้สึกตัวทุกครั้งที่เคลื่อนไหวรู้สึกตัวจิตปกติจิตไม่ปกติที่เป็นสุขจิตไม่ปกติที่เป็น ทุกเนี่ยมันก็ถูกรู้เท่ารู้ทันแล้วก็ชำระล้างออกไปก็เลยว่าเห็นทุกเห็นเหตุแห่งทุก์ก้าวล่วงออกจากความทุกข์เพราะว่ามันมีวิธีการดับทุกข์ที่เรามักกวิถีการเคลื่อนไหวรู้สึกตัวว่ารูปแบบต่างๆดูกายก็แบบกายดูเวนาก็แบบเวนาดูจิตก็แบบจิตดูธรรมก็แบบธรรมมันคือสตินีประฐานสี่ที่มันเต็มรอบขึ้นมาในขณะจิตเดียว ปัจจุบันขนาเนี่ยเราเห็นเลยกายวินาจิตทำกายวนาจิตรรมนาดจิตเดียวเกิดจากการฝึกนะจนทั้งมันว่องไวเป็นไวพิปฏิพานแล้วมีความรวดเร็วคล่องตัวที่จะไม่เข้าไปเป็นในรูปธรรมในนามธรรมต่างๆเรียกว่าขันหานะเพราะนั้นสติปัฏฐานสี่มันก็จึงเป็นลนักษณะของการเดินทางผ่านผ่านบวกผ่านลบผ่านสุขผ่านทุก ผ่านอารมณ์ต่างๆที่เป็นอารมณ์จากจากไปหาละเอียดต่อไปนะเพราะฉะนั้นลักษณของการเปิดบัติรนะตาให้รัดรัดสั้นๆจริงๆแล้วนะก็คือให้เราเห็นกายใจจริงๆเป็นปัจจุญญาขณะไปเรื่อยๆตรงนี้เรพอแล้วนะเดียวว่าเห็นช้างทีละจุดทีละจุดทีละจุดทีละจุดจนทั้งเขารู้รอบมอรเมื่อไหร่ก็จะสรุปให้เราอีกครั้ง เขาจะสรุปให้จนกระทั่งเห็นว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปยึดถืออะไรไม่ได้สักอย่างแล้วก็จึงเรียกว่าตัวใครตัวเราละก็ขอให้ท้ายสุดนีการที่เราได้มารวมตัวกันพุทวัตรปฏิบัติธรรมในหลักหรือว่าในอบมการของกุศลหนา ขอให้พวกเราทุกคนทุกท่านได้เจอสภาวะของธรรมะสมควรแกร่การปฏิบัตนะิเดินเข้าสูก่กระแสของมรรคผลนิพพานยอมทั้งทาที่สุดแห่งกองทุกนะมีความสำเร็จในวันชานตินี้โดยทุนการทุกท่านทุกคนนั้นเธอ